จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันองังคารที่23ามตุลาคมพุทธศักราช2อ5 5เป็นวันพระวันธรรมมัชชวนาวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง อีกหนึ่งวันเนื่องจากว่าจะได้มีการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาดังในพระบาลีที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ากาเละนะธ ร, รมมะสวนรงเอตัมมังกลมุตตมังการได้ยินได้ฟังธรรมตา ม, ตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการที่จะฟังเทศฟังธรรม ให้เป็นมงคลอย่างยิ่งนั้นกจำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ ก, กายสงบวาจาสงบเรียกว่าศีลใจสงบเรียกว่าสมาธิเวลาที่นั่งฟังจึงไม่ควรจะทําอะไรควรจะนั่งเฉยเฉยไม่ควรพูดคุยกันแล้วก็ใจก็ไม่ควรที่จะไปทําอะไร นอกจากตั้งใจฟังเสียงธรรมที่มาสัมผัสตอนนี้ไม่ใช่เวลาภาวนาตอนฟังเทศฟังธรรมไม่ใชเ่เป็นเวลาที่จะมานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธหรือนั่งดูลมหายใจเข้าออกเวลาฟังธรรมเป็นเวลาที่ต้องใจต้องตั้งใจฟังต้องมีสติอยู่กับการฟังของเสียงธรรม ที่มาสัมผัสกับหูถ้าฟังแบบนี้ก็จะเป็นมงคลเพราะว่าจะได้ฟังได้เพราะว่าจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจะกำจัดความสงสัยให้หมดไปได้ จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสำลัาทิฏฐิและจะทำให้จิตใจผ่องใสร่าเริงเบิกบานนี่คืออานิสงห้าประการที่จะเกิดขึ้นจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิง่งถ้าเราฟังด้วยจิตใจที่จดจอ่อไม่ไปทำอะไรไม่ไปพูดอะไรไม่ไปคิดอะไร แม้แต่การบริกรรมพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะทำในตอนนี้ตอนนี้มีหน้าที่ฟังอย่างเดียวถ้าฟังแล้วสามารถพิจารณาตามได้ก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฐิจะดับความหลังเลสงสัยให้หมดไปได้ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามไม่ได้ไม่เข้าใจ ถ้าตั้งใจฟังเสียงธรรมที่มาสัมผัสโดยไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบหน้นี่คืออนิสงที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังด้วยการพิจารณาก็จะเกิดปัญญาได้ปัญญาถ้าฟังด้วยการใช้เสียงเป็นเครื่องกล่อมใจก็จะได้สมาธิดังนั้นเวลาเราฟังเราไม่ต้องไปกังวล กับการบริกรรมพุโทโธหรือกับการดูลมหายใจเข้าออกให้ฟังเสียงธรรมที่มาสัมผัสที่หูแล้วรับรู้ที่ใจเท่านั้นถ้าพิจารณาตามได้ก็พิจารณาตามไปก็จะเกิดปัญญาถ้าพิจารณาตามไม่ได้ก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คืออนิสงที่เราจะได้รับ จากการได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่ได้ยิ น, นได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมา ก, ก่อนเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งและไม่ค่อยได้มีการพูดกันในสังคมของคนทั่วทั่วไปจะต้องอยู่ในสังคมของนักบวชนักปฏิบัติถึงจะได้ยินได้ฟังคำสอน อันเลิศอันประเสริฐเช่นที่สูงสอนว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสรร พ, พสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเช่นสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยเช่นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรทีดาญาสนิทมิตรสหายเขาไม่ได้เป็นของเรา เขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเขาจะต้องมีวันพัดพาจากเราไปร่างกายของเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่ทำมาจากธาตุสีคือดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุ ข, ข้าวของต่างๆล้วนทำมาจากธาตุสีดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีเป็นของใคร เป็นของธาตุสี่เป็นของดินน้ำลมไฟเขามารวมตัวกันเพื่อให้ปรากฏเป็นสิ่งต่างๆเช่นเป็นร่างกายของมนุษย์เป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นไม้เป็นผักเป็นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็หลังจากรวมตัวกันแล้วก็จะแยกตัวออกจากกัน เมื่อถึงเวลาแยกตัวออกจากกันธาตุสี่นิ่น้ำลงไฟก็จะไปกันคนละทิธทานสิ่งที่รวมตัวกันอยู่ก็จะสูญหายไปเช่นร่างกายของมนุษย์นี้เมื่อมารวมตัวกันก็ปรากฏมีรูปมีร่างมีอาการ32สองพอถึงเวลาที่จะแยกตัวออกจากกันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปกลายเป็นดินไป น้ำก็ไหลออกไปไฟก็หายไปลมก็หายไปนี่คือเรื่องที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพื่อเราจะได้มีสัมมาทิฏฐิให้รู้ให้คิดเสมอว่าไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ไม่หลงไปยึดติดถ้าเราหลงไปยึดติดเราก็จะเกิดความอยาก ให้สิ่งที่เป็นของเรานั้นอยู่กับเราไปนานๆให้ดีไปนานๆแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการหมดไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นของใครไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครที่จะมาสั่งมาห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นี่คือ เรื่องของสัพเพ昙มาอนัตตาที่พระเจ้าสงสารนี้ก็เพื่อมาชําระความหลงที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่มักจะหลงคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นตัวเราพอเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราเราก็จะเกิดความอยากให้อยู่กับเราเป็นนานๆให้ดีเป็ น, นานๆ แต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่ไปนานไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีไปนานๆานและไม่มีใครสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงความจริงนี้นนได้ถ้าคนฉลาดรู้ทันก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดติดจะไม่อยากให้ดีไปนานๆจะไม่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆจะให้ดีเท่าที่มันจะดี จะใ ห, ให้มันอยู่เท่าที่มันจะอยู่ได้เมื่อมันไม่ดีก็รับได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมันไม่อยู่ก็รับได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามีธรรมาสัพเพธรรมาอนัตตาอยู่ภายในใจของเรามันสอนใจเราอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงให้ลืมเราก็จะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เมื่อเราไม่มีความอยากใจของเราก็จะไม่ทุกความทุกข์ใจของเรนี้เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดจากการเกิดการดับของสิ่งต่างๆแต่เกิดจากใจของเราที่ไปอยากไม่ให้เขาดับท่านั้นเองใจของเราอยากจะให้เขาอยู่ไปนานา อันนี้แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนพวกเราให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรอยู่ภายใต้คำสั่งของเราเราไม่สามารถสั่งเขาได้ตลอดเวลาเช่นร่างกายของเราเราไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวไปได้ตลอดเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปตลอดเวลาไม่ตาย อย่างนี้สั่งไม่ได้ร่างกายเขามีคำสั่งอยู่ในตัวเขาแล้วคือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ติดมากับร่างกายตั้งแต่วันเกิดไม่มีร่างกายอันไหนที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายจึงต้องฉลาดต้องรู้ถันรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกาย ถ้าใจรู้ว่าไม่เป็นร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนก็เพ่าไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจร่างกายเป็นตัวเราของเราเราเป็นใจแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายใจของเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายจะแก่ใจก็ไม่ได้แก่ตามร่างกายไปร่างกายจะเจ็บใจก็ไม่ได้เจ็บไปตามร่างกาย ร่างกายจะตายใจก็ไม่ได้ตายไปตามร่างกายใจยังเป็นใจอยู่อย่างนั้นรู้อยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงของใจแต่ถูกความหลงมาหลอกให้หลงไปคิดว่าร่างกายเป็นเป็นใจเป็นตัวเราของเราแล้วก็สิ่งที่ร่างกายได้มาเป็นของเราไปหมดพ่อแม่ของเราสามีภรรยาของเราลูกหลานของเรา ญาสนิทนิสหายเป็นของเราไปหมดพออะไรเป็นของเราแล้วก็เกิดความอยากเกิดความทุกข์ตามมาถ้าไม่เป็นของเราแล้วจะไม่เกิดความอยากจะไม่เกิดความทุกข์เช่นคนที่เราไม่รู้จักที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเขาจะเป็นจะตายอย่างไรเราไม่รู้สึกอะไรเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้ไปหลงคิดว่าเขาเป็น ของเรานั่นเองดังนั้นเราต้องมองร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่ก็ตามไม่ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือไม่ลึกซึ้งก็ตามขอให้เรามองไปตรงที่ร่างกายว่าไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเป็นเพียงดินน้ำลมไฟผู้ที่มาเป็นเจ้าของนั้นเป็นเจ้าของได้เพียงชั่วคราวเป็นเหมือนของยืมเข้ามา สักวันหนึ่งก็ต้องคืนเขาไปนัางกายนี้เรายืมมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือสิ่งที่เราจะไม่ได้ยินได้ฟังถ้าเราได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วเราฟังอีกฟังไปบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้าใจเห็นความจริงเห็นชัดว่าอ๋อไม่ได้เป็นตัวเราของเรา เราก็จะได้ปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็จะหายสงสัยว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีประโยชน์จริงหรือไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดไปได้หรือไม่เราจะไม่สงสัยเราจะเชื่อพระธรรมคำสอนเต็มหัวใจเราจะยึดพระธรรมคำสอนเป็นการ เป็นผู้นำทางของเราเป็นที่พึ่งของเราเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ใจของเราได้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐนี้เท่านั้นนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วพอเข้าใจแล้วใจปล่อยวางความยึดติดได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ใจก็เข้าสู่ความสงบได้ ดังที่มีผู้ที่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมขึ้นมาเช่นพระอญ ญ, ญญา์ตนทัญญาเป็นผู้แรกในพุทธศาสนานี้ที่ได้บรรลุธรรมเป็นผู้แรกแต่เป็นคนแรกได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพราะเห็นต่างที่พระเจ้าทรงสั่งสอนว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา เช่นร่างกายนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาร่างกายนี้เราไปบังคับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เป็นของเรานะพอเห็นอย่างนี้ก็ปล่อยวางพอปล่อยวางก็หายจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมในสมัยพระพุทธกาลนี้ ฟังเทศฟังธรรมกันแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเลยบางครั้งทีละข้าห้าห้ารอคนห้ารูปมีสำนักนักบวชอยู่สำนักหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปทรงสแสดงธรรมโปรดให้เขาฟังพอเขาฟังจบแล้วใจของเขาก็หายหายจากความหลงหายจากความยึดติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นเป็นตัวเราเป็นของเรา พอเขาหายหลงเขาปล่อยวางได้ใจเขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ในขณะที่ฟังนั้นเลยนี่นะคือมองคลอันยิ่งใหญ่มงคลอันสูงสุดก็คือการได้ฟังเทศฟังธรรมตามการต่างเวลาพวกเราถ้ายังฟังแล้วยังไม่ได้บรรลุธรรมก็แสดงว่ากายวาจาใจของเรายัางไม่สงบพอ ใจเรายังคิดนู่นคิดนี่อยู่ร่างกายของเรายังขยับไปนู่นขยับไปนี่เดี๋ยวขันตรงนั้นขันตรงนี้เดี๋ยวก็คุยกันบ้างเล่นกันบ้างถ้าฟังแบบนี้ฟังไปอีกร้อยชาติ<ม>ก็ไม่มีวันที่จะบรรลุธรรมได้ถ้าอยากจะฟังให้บรรลุธรรมต้องมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็ต้องมีใจที่สงบเป็นสมาธิจริงๆ ขณะนี้ใจของเรายัางไม่ได้เป็นสมาธิจริงๆเพียงแต่เราคอยดึงเอาไว้เท่านั้นเองคอยดึงเอาไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่บางครั้งบางเวลาขณะที่พยายามดึงเอาไว้มันก็ยังหนีออกไปคิดได้พอได้ยินเสียงอะไรก็จะตามเสียงนั้นไปพอได้เห็นอะไรก็จะตามเสียงนั้นไปการฟังธรรมก็เลยฟังไม่ต่อเนื่อง พอฟังแบบขาดตอนความเข้าใจก็จะไม่ครบบริบูรณ์ก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ <c oughs> พวกเราที่ต่างกับผู้ที่ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพอระพุทธเจ้าในสมัยพพระพุทธการก็เพราะว่าท่านมีศีลมีสมาธิเต็มที่แล้วส่วนพวกเรานี้ยังมีศีลมีสมาธิไม่เต็มที่แล้วผู้แสดงก็ไม่เหมือนกับพพระพุทธเจา้าที่แสดงธรรม ที่มีแต่ความจริงร้อยเเซนี่คือปัจจัยที่จะทําให้ผู้ฟังเทศฟังธรรมบรรลุทําได้ผู้แสดงก็ต้องแสดงธรรมที่เป็นความจริงร้อยเซแล้วผู้ฟังก็ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีจิตที่สงบเป็นสมาธิจริงๆถึงจะบรรลุทําได้ถ้าพวกเรายังไม่บรรลุธรรม ก็แสดงว่าศีลของพวกเรายังไม่บริสุทธิ์สมาธิของพวกเรายังไม่เป็นสมาธิที่แท้จริงเราจึงต้องมารักษาศีลกันเช่นวันนี้เรามาสมาทานศีลห้าเราจะรักษาศีลห้านี้ได้หรือไม่หรือว่าพอออกจากศาลานี้ไปเราก็ฝากไว้ที่ข้างหน้าศาลากลับไปพูดบทกันต่อไปกลับไปเสพชูลายาเมากันต่อไป ถ้าอย่างนี้แล้วโอกาสที่เราจะได้รับอนิสงส์จากการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็จะไม่มีเลยการฟังเทศฟังธรรมของเราก็เป็นเหมือนกับทัพทีในหม้อแกงทัพพีในหม้อแกงนี้จะไม่รู้ว่าแกงนั้นเป็นรสชาติอะไรฟังแบบเข้าหูซ้ายออกหูขวาฟังแล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะไม่ได้ลิ้มรสของแกงนั่นเอง ถ้าจะฟังต้องฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าลิ้นสัมผัสกับแกงแล้วจะรู้ทันทีว่าแกงนี้อร่อยหรือไม่อร่อยน่ากินหรือไม่น่ากินดังนั้นขอให้เราฟังทำแบบลิ้นกับแกงฟังแบบใจที่สงบฟังแบบกายวาจาที่นิ่งถ้าฟังแบบนี้แล้วเราจะได้สัมผัสกับรสของธรรมเราจะรู้เลยว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวน นี่แหลจะพบได้จากการฟังเทศฟังธรรมเพราะจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั่นเองถ้าไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการฟังธรรมจะไม่มีใครที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยดังที่เป็นอยู่ตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ไม่มีใครในโลกนี้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยแม้แต่คนเดียว แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วแล้วนำเอาพระธรรมคำสอนมาประกาศสั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาพอฟังกันแล้วก็บรรลุธรรมการเป็นจำนวนมากเริ่มต้นตั้งแต่ที่พระปัญจ ว, วัคคีย์ฟังธรรมครั้งแรกก็บรรลุเป็นพระสาวดาบหนึ่งรูปพอฟังครั้งที่สองครั้งที่สามก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้ารูปเลยภายในเวลาอันไม่กี่วัน แล้วหลังจากนั้นพอทรงสแสดงธรรมไปที่ไหนก็ปรากฏมีผู้บรรลุเป็นพระอารหันต์กันเป็นจํานวนมากจนเพียงเเวลเพียงระยะเวลาเพียง7 เ, เดือนเท่านั้นก็ปรากฏมีพระอารหันต์อย่างน้อยก็หนึ่รูปแล้วเพราะในวันเพ็ญเดือน7จในวันเพ็ญเดือน3 7เดเดือนหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมครั้งแรก ในวันอาสาลหาบูชาวันเพ็ญเดือนแปดพอถึงวันเพ็ญเดือนสามวันมาคาบูชาก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกหนึ่งรรูปมาเฝ้าพระพุทธเจา้าโดยมิได้นัดหมายกันมาไว้มาก่อนนี่แหละคือเรื่องของการฟังธรรมเรื่องของมุงคลอย่างยิ่งคือการฟังเทศฟังธรรมนี่แหละจะทาให้ผู้ฟังเทศฟังธรรมนั้น ได้บรรลุมรรผลนิพพานกันได้บรรลุอริยมรรคขั้นต่างๆอริยมรรคอริยผลขั้นต่างๆเช่นขั้นสุตดานขั้นสกิฎาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอหรหันต์ได้ภายในชาตินี้เลยไม่ต้องบำเพ็ญเพียรเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ต้องบำเพ็ญเพียรมาเป็นกับเป็นกันหลายกับหลายกันด้วยกัน กว่าจะได้มาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตัศมมาสามพุทธเจ้าได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรูปแล้วมาประกาศพระธรรมคำสอน mm. ก็จะมีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ภายในชาตินี้เลยและภายในเวลาไม่กี่ปีพระองค์ทรงรับรองไว้เลยว่าถ้าใครศึกษาและปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้ จะบรรลุได้ภายในอย่างช้าก็ไม่เกินเจดปีถ้าอย่างเร็วก็เจดวันก็สามารถบรรลุได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนนี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีศาสนาอื่นใดในโลกนี้ที่จะวิเศษเท่าได้ก็ไม่มีศาสนาใดที่สามารถพาสัตวโลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้ มีพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นและพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนาอย่างมากที่ได้มาเกิดในบรวรของพระพุทธศาสนามีบิดามารดาที่นับถือพระพุทธศาสนาพาเข้าวัดอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่บ่อยๆจนติดเป็นนิสัยพอโตขึ้นมาก็เข้ามาต่อมาศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติต่อ เพียงแต่ว่าอาจจะยังศึกษาไม่มากพอปฏิบัติไม่มากพอยังไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติแบบมืออาชีพยังเพราะว่ายังห่วงอาชีพอย่างอื่นอยู่ยังห่วงอาชีพการทำมาหากินหาราบยศสรรเสริญสุขอยู่จึงไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มที่ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติเต็มที่ก็คือผู้ที่มาบวชนั่นเอง ผู้ที่บวชเป็นสามเณรบวชเป็นภิกษุบวชเป็นภิกษุณีเรือบวชเป็นแม่ชีท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่เป็นนักศึกษานักปฏิบัติธรรมมืออาชีพท่านเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลนิพพานภายในเจ็วันเจดเดือนเจดปีได้อย่างแน่นอนแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นมืออาชีพยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ เช่นอาทิตย์หนึ่งก็มารักษาศีล ป, ปฏิบัติธรรมในวันพระเช่นวันนี้อย่างนียง้ยังไม่ถือว่าเป็นมืออาชีพยังต้องแบ่งงานทำหลาส่วนด้วยกันวันพระก็มาปฏิบัติธรรมพอวันธรรมดาก็กลับไปทรมาหากินหาราบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกทิ้งกายอย่างนี้ปฏิบัติไปทั้งชาตินี้ก็ไม่มีวันที่จะสามารถ บรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นถ้าเราปรารถนามรรคผลนิพพานเราอย่าไปโทษว่ามรรคผลนิพพานนี้เสื่อมไปแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเสื่อมไปแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุเหตุก็คืออยู่ที่เราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติอย่างมืออาชีพเท่านั้นเองลองเราเปรียบเทียบดูนักกีฬาที่เป็นมืออาชีพกับนักกีฬาที่เป็นมือสมัครเล่น ฝีมือนี่ต่างกันไปแข่งขันกันนี่สู้เขาไม่ได้จะไปชิงเหรียญทองก็ชิงไม่ได้อย่าว่าจะไปชิงเลยเพียงแต่จะมีสิทธิ์เข้าไปชิงก็ยังไม่มีโอกาสก็เพราะว่าไม่ได้เป็นมืออาชี PN ั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานอยากจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดภายในภพนี้ชาตินี้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปี เราจะต้องเป็นมืออาชีพเ ร, เราจะต้องทำทานให้หมดไปเลยสมบัติเข้าของเงินทองมีเท่าไร่ให้คนอื่นได้หมดเลยเช่นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านสละราชสมบัติท่านออกจากพระราชวังไปบวชไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ตามสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆท่านไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองติดตัวไปเลย แล้วท่านก็รักษาศีลอย่างเต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีเวลาใดที่ท่านจะละเมิดล่วงเกินศีลเลยแล้วก็ทุ่มเทเวลาทั้งวันต่อการเจริญสมาธิและปัญญาเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาจนในที่สุดจิตใจของท่านก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะได้ทำลายกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์และต้นเหตุของภพชาติให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพ่นี่คือการปฏิบัติถ้าเราอยากจะได้ผลเราก็ต้องปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าเหตุเป็นอย่างไรผลก็จะเป็นอย่างนั้นเหตุของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นผลจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเหตุของเราไม่ เ, เหมือนของพระพุทธเจ้า ผลของพวกเราก็จะไปไม่เป hmm. ็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเหตุของเราเป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าผลมันก็ต้องเป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราเอาเอาผลไม้เอาเม็ดผลไม้เช่นเมล็ดส้มมาปลูกถ้าเราปลูกผลมันก็ต้องเป็นผลส้มออกมาอย่างแน่นอนมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ฉะนั้นใดถ้าเหตุคือการปฏิบัติการศึกษาของเรา เป็นไปอย่างเต็มร้อยเป็นไปอย่างแบบมืออาชีพผลก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเช่นกันดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพได้เราก็ต้องทำทานให้หมดไปก่อนเราต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละสามีภรรยาสละบ้านช่องอะไรต่างๆไปให้หมดแล้วเราไปบวชกันไปอยู่แบบนักบวช เมื่อบวชแล้วเราจะได้รักษาศีลได้บริสุทธิ์เพราะถ้าเรายังมีอาชีพทำมาหากินอยู่ความโลภของเราก็จะทำให้เราต้องโกหกเพราะเรากลัวจะไม่ได้เวลาขายของถ้าพูดความจริงกลัควคนเขาจะไม่ซื้อจะต้องโกหกเขาเพราะความโลภยังอยากได้มีเงินมีทองอยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องงานต้องการเงินทองแล้วเราสละเงินทองไปหมดแล้ว เราก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะทาให้เราต้องมาโกหกต้องมาทำผิดศีลเมื่อเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์ใจของเราก็จะไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่วิตกกังวลจะทำให้การทำใจให้สงบการจเจริญสตินั่งสมาธินี่จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วเมื่อใจมีสมาธิแล้วก็สามารถจเจริญปัญญาได้จะเห็นสิ่งต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ที่สงสอรว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะเห็นได้ถ้าใจเรามีความสงบเพราะเวลาใจเราสงบใจของเราจะแยกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายนี้ก็จะแยกออกจากกันเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าร่างกายกับใจของเรานี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสอนไว้เลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา นี่คือเรื่องของสมาธิที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นตามความจริงที่พระเจ้าทรงมองเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรรมดาพอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางจะไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นพอเราไม่ได้อยากให้เป็นอย่างอื่นเราก็จะไม่ทุกข์นี่ก็อันนี้จังไม่เทียม <c oughs> หมดพอดี Mm-hmm. <laughs>